เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุค ป, ปัจจุบันตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพชโชติปัญโยกว่าจะรู้ได้ติดกับพระพุ่งนี้เช้ารอหาแต่เศ้าเป็นพระเป็นเจ้าวลาหล่นมันก็ตัวเกงแทะวาฉันมาหาพระมันก็ไม่ยืนอีกเขอเก่าอันีว่วะฉันกูได้แล้วตัวการมู่ันมันตัวกูยงังคักวาฉัน ด่าถามว่าได้หน่อยนึงหายดีใส่บาทแต่หัวมึนไปสันเป็นพระเป็ น, จโโลโลนเนจ้าหัวโลลนไปจนกลางตัวไปสันท่านก็ยิ้มจเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยที่บอกว่าได้นิดหน่อยไม่ได้บอกว่าได้ข้าวเจ็ดปีกับสิบเดือนเพิ่งจะได้พูดกับโยมเมื่อวานนี้คําเดียวโยมบอกใส่หัวไปให้พ้นกลับมาโยมถามว่า ม, มึงได้อะไรอาตมาก็บอกได้นิดหน่อยได้พูดกับโยมเพียงเท่านี้เอง ว้าเราดีใจยังไงบ้าไปบอกเมียบังดูด่าปันนี่ก็ยังว่าได้นิดหน่อยคันเอาเข่าให้กินจะได้หลายปันได้ยุ่งมีช่วได้บุญบอกมีมนขึ้นทั้งเือนไว้ไปกินข่าให้ในท้อนวาฉันคราวนี้ก็เลยขึ้นบานพระรอหน้นขึ้นบานแต่ฉันข้าวเมริสิสุเหล่านี้ขนาดเราด่าปันนี่ก็ยังบอกว่าได้นิดหน่อยดูน้ําใจของท่านประเสริฐและทากันเริ่มไสเลื่อมไสด้วยการปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยท่านไม่ได้เทศเมื่ออาตมาแต่ท่านไปยืนเทศเงียบอยู่เจ็ดปีกับสิบเดือน ไม่มาแหบแแหบิจังสิเพราะฉะนั้นเกษตรคือกันนี้การปฏิบัติทางเกเทศสมัยก่อนอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันท่านเทศอยู่ในของเขาผูพานบ่ได้เหตุหลายปันอาตมาดอกพุทโธเดอวันนเล้วโลกไม่สงบพันงากระพริบตาเกินเมลระห่อกับพริน้อยขก้นเมละพันมาบัทันขึ้นหลายกว่านั้นเกินบัดมือไปอ่อนซอนเลยเทศทอนั่งอาจารย์มั่นคนก็ป้าฟังเพิ่นพุทโธแล้วกับพุทโธน้ำเพิ่นก็เลยใจเย็นไปสงบไปผัวตายกับพุทโธเมียตายกับพุทธโเนี่ยม่ได้เหตุหลายปันนี่ ก็เชิญท่านขึ้นบนบ้านไปฉันฉันและทุกวันนี้บนว่าแต่นี้ต่อไปท่านอย่าไปที่อื่นเลยมาฉันตรงนี้แล้วเด็กชายหน้ากระเซ็นไปเรียนจบไปแพทย์อาจารย์ไม่มีจะสอนแล้วมันได้บัดก็เลยถามพอ่อพ่อพอพ อ, อันพระเหลืองๆที่มากินข้าวอยู่บ้านเราเนี่ยมีอะไรให้เราเรียนไหมไปถาปนบางที่ละละไปถานบางทีก็เลยไปกราบท่านอาจารย์ครับท่านบัวเหลืองๆเนี่ยท่านมีอะไรให้ผมเรียนไหมผมอยากจะเรียนผมไม่มีที่จะเรียน เมื่อทานบอกจะเรียนสักขนาดไหนอ้ยช่วยสอนให้ผมทีสอนไม่ได้คนจะเรียนต้องบวชเหมือนกันหนุงเหลืองห่มเหลืองโกนผมเหมือนกันเฮอองนี้ก็อยากบวชเลยเด็กชายหน้ากระแสนบอกพ่อแม่ค่อยช่บวชมุ้ยอย่าพาบวชหล่าไอ้อเอางหญยกว่านี้คนบวชบว่บวได้บวชตายเราคอยบกินขาดเขาคอยจะเรียนในเด็กมันบ้าเรียนมันไอคิวสมองสูงเหมือนลูกเราที่มันเรียนเก่งๆไม่ให้ไปโรงเรียนมันเชียดนี่ก็เลยพ่อแม่ขัดไม่ได้ให้บวชบวชแล้วกันเรียน เอาไปบวชกับพระโลหนะนาบวชและหานกันเรียนทรงไปเรียนจากสำนักต่างๆจบพระไตรปีดกจบอภิธรรมจบพระสูตรจบวินัยต้องมีคนที่จะไปเถียงคนนี้จะไปต่อสู้มันต้องเรียนซะก่อนถ้าไปปฏิบัติเลยเนี่ยมันไม่เอาอย่างพวกปฏิบัติธรรมสงบมากมีความสงบปล่อยวางบ่เถียงหมู่ซุ่มเนี่ยเก่งหูว่าบ่ถือกระยาขเขาเถียงเขาบ่แพ้ขี้ข่านเถียงซุ่มนี่ยเศรก็เลยให้เรียนเรียนตบแล้แต่อาจารย์เนี่ย พระอุปชาเนี่ท่านเป็นพ่ออรหันนะ อ, องนี้เป็นเป็นเนีนหน้ากษะ เ, เรียนจบจนเป็นพระจบวัดกลับมาไปครับอาจารย์ไปบิณฑบาตวันหนึ่งท่านคิดน้อยใจว่าโอ๊ยวาสนากลัวเฮ้วาสันคดไม่ ใ, ใจบวชมาลำําเพิาสตรดเดียวเธอเดียวก็จะเป็นได้อุปชางโง่แท้เอ๊เอ๊นั่นอุปชาเฮาหนิบดายเอียงว่าความคิดในใจ ท่านก็ไม่ได้จริงๆท่านเป็นพออราะอรหันต์เนี่พออราะ อ, อราหารนันต์ออาจจะอ่านหนังสือกอไก่เท่ากับปั้นนีก็ไม่ได้แต่ท่านจบการศึกษาน่ะนหน้ากเกสงก็ดูถูกเดินไปตามลังว่โอ้ยได้อุปชาน้ำพันธ์ทีเดียวก็จะป็นโง่ได้บ่ได้ ย, ย, ยั้งนอกระทันพอคิดอย่างนี้ท่านรู้ท่านเป็นเพออราะอรหันต์นี่จิตใจท่านละเอียดท่านจับเลด้าอยู่ตลอดท่านเอาเด้าจับข้างหลังท่านก็หยุดจึล่ะเอ้ยหน้าเษงอันซัวกะดีงโง่ก็ตามขออุปชาเจ้าแล้วบ่ได้ยังกะ คือพอคือแม่เห่าเลยนะงงกับพันเป็นพอเป็นแม่ครัอันจะเรื่องนี้บาปย่างไงได้หละ่ะเอยเพียงแค่นี้เองหน้ากระแสนพูดยิงพยองมากด้วยความรู้ป้มลงกลางดินกราบกราบวุ้ยยอมครูบาอาจารย์เพียงแต่คิดเท่านี้ทั้งก็ลูกขันลูกโอ้ยมันเก่งอย่างไงเฮ็ดกังดิผมชิดกันนู่นผมยอมแหละครับบัณฑิตอยาให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมขันกันเลยบอกว่ายอมก็ยอมแต่ว่าบาปกรรมอันนี้ยังไม่หลดุดไม่พ้นจนกว่าเมื่อได้เธอจะปฏิบททัติธรรม ให้เห็นอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะปลดเปลื้องบาปไปปฏิบัติธรรมจนตนเองบรรลุเป็นพระ อ, อรหรันต์เมื่อบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วเห็นจิตเห็นใจคนอื่นได้คืออาจารย์ก็ไปกราบใบานผมมืดเลยบอกมืดแลว้วบ่กครับกรรมที่ผมได้ดูโถอาจารย์ท่านอาจารย์อนุญาตให้ผมโดยอย่างนงั่งประทัดเทใจไหมจิงหุนพญามิลินที่เมืองปาตลีบุ่นนะขันจะไปปราบพญามิลินนี่วาพระพญามิลินนี่ พระประวัตทางศัทธเมนะนี่ก็เหตุแต่วาสัพติฆา้อย่างไปปราบวาระอันนั้นเอาลงอย่างราบคาบสงบด้วยธรรมอันถูกต้องป่าพญาเมิลินได้คอยจังสีเอาให้โทษให้เจ้าอยู่ใสมีจะคนพญาเมิลินให้มันขี่คอกันมาตั้งแต่ดินทั้งฟ้ามก็ บ, บริยานมาสันในที่สุดก็ส่องไปปราบพญาเมิลินปราบพญามิลิ น, ลนได้าศาสนาก็จเจริญรื่องเ ร, องเรืองขึ้นมาวัดวารามก็เกิดขึ้นพญาเมิลินก็กลับมานับถึงพุทธศาสนา แล้วพวกเราในยุคนี้จําเป็นจะต้องสร้างบุคลากรในขนาดนี้แต่ก็ะนั้นสิบประจงไปยืนให้ข้เจ้าดาฮอดเจ็ดปีสิบเดือนอกที่หนกมีคนทรมาบวชหลายอยู่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเดยนี้กําลังสนับสนุนสร้างบุคลากร อ, อย่างนี้แล้วอยากจะฝากต่อไปว่าทำอย่างไงเราจะจะมีบุคลากร อ, อย่างพระนาเกษรที่จะปราบพญามิลิณได้ต้องมาช่วยกันเม้นช่วยกันสันเล้กกันสร้างได้แล้วคุณตีวิหารใหญ่โตฟุ้มุนั้นนะไม่เป็นเครื่องมั่นคงของศาสนา ประเทศที่เด่นลังคาวัดหนมงด้วยกเบื้องเคลือบทองคำํำนาหุ้มด้วยเสาเนี่ยหุ้มด้วยทองคำํำนาถ้ากำหนังช้างอาลานโปตะระที่กรุงรซาบรรจุพระได้เป็นหมื่นหมื่นแต่เสร็จแล้วที่เบกก็อยู่ไม่ได้าศาสนาไม่ใช่เจเลนที่วัตถุทั้งเจเิญที่ศาสนาบุคคลมีคุณภาพาศาสนธรรมบริสุทธิ์ไม่ถูกมอมเมาเป็นเนื้องอกเอาคือจังคนโบราณฝันเหมือนในพุทธธรรมนายที่พูดไวน้นี่เพราะเหตุ น, นั้นวันนี้ เราได้พูดถึงสถานการณ์ผู้ศาสนาในโลกยุปัจจุบันว่าอยู่ในยุคหัวเลียวหัวต่อและอยู่ในยุค ก, กาลังกลับหลังสู่พื้นฐานแห่งผู้ศาสนาเราขาดบุคลากรที่จะให้คาตอบแก่ปัญญาชนรุ่นใหม่เราขาดบุคลากรที่จะเป็นบุคคลในอุดมคติในทางผู้ศาสนาเพราะเหตุ น, นั้นท่านสมาชิกแห่งพุทธสมาคมทั้งหลายจะต้องมาช่วยกันสัสร้างบุคลากรเหล่านี้การทําบุญก็จงเลือกให้มันถูกมันต้องดีใจด้วยอนุโมหนาะ สาทุกการที่ท่านตัางหลายมาทําบุญกันในวันนี้การกล่าวทำํำพิธิทานในวันนี้คงจะสมควรเก็เวลาพ่อได้ช่วยทําให้ท่านตัางหลายได้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนบอยากให้เศร้าอยู่แต่หงษ์แต่นานก็อาจจะมีก็ไม่เป็นไรเทวะท่านตัางหลายสร้างขันติปรมีอยู่ในเฮือนบดีนั่งดนปนันนี้บันดนี้ได้นั่งดนปนันอีกเก่งหลายเติรอาตมาก็ยืนหนาไม่ได้เอาเอาเปรีบ เพราะเหตุ น, นั้นสมควรแก่เวลาแล้วข อ, อยุติทำนี้กระท่าลงเพียงแค่นี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระัตนตรัยรัตนตยาเตสะา ด, ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญบารมีที่ท่า น, นาดึงร้ายได้ส่งซ้ำได้อบรมมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทําต่อไป จงเป็นภาระวะปัจไกเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญหายเพาะหายโศกหายโลกหายภัยเจริญด้วยทรัพย์จดไม่ตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวและสังคมพร้อมคนนั้นจะมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบมักคาอันบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้โชดช่วงดุดดวงไฟ ส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกปัญหาในชีวิตปัญหาในหัวใจโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเทนจะมีคนร่ำรวยสักสองร้อยสามร้อยคนในจำนวนคนห้าสิบห้าล้านคนเนี่ยแต่คนยากคนจนมันมากกว่าห้าสิบล้านกว่าคนทั้งหมดนี่แหละที่เรียกว่าให้ไงล้นให้หน่อยสีบ่บ่อเต็ม ซึ่งความฝันข้อนี้พระเจ้าเปอร์เซนที่ก่สอสนก็ได้ฝันหลากห ล, ลากมาต่างๆนานาแล้ ว, ลวก็แปลกประหลาดใจยอยู่ก็เลยได้ไมาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็แก้อย่างนี้เดียวนี่เรากําลังพูดถึงความเป็นนิกรัฐบาลเองก็พยายามที่จะโฆษณาว่าดในนิสัยเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดเลยแต่ถ้าเรามองดูลักษณะทั่วๆไปของประชาชนชาวบ้านโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนที่มีความทุกข์ยากลําบากเพราะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเงข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเสร็จเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอีสานเนี่ยเกือบจะไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ช่องปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อโซนแม่ซ้นทั้งหลายเนี่ยเฝ้าบ้านเลี้ยงงูเลี้ยงควายเฝ้าไร่เฝ้านาส่วนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็หลั่งไหลไปที่มีโรงงานอุตสหาหกรรมการพัฒนาที่ชนิดที่เกิดช่องว่างก้าวกระโดดในกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยแหล่งที่เรียกว่าสลัม สลัมทั้งหลายในกรุงเทพนั้นแหละคือแหล่งของชุมนุมชนชาวชนบทกําลังดิ้นรนสแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไปแออัดเดีเยดกันอยู่ตรงในแหล่งสลัมและในวัดของกรุงเทพทุกๆวัดก็เต็มไปด้วยคนบ้านนอกที่เรียว่าแหล่งสลัมอีกแบบหนึ่งสลัมเพื่อการดิ้นรนในทางการศึกษาเด็กหนุมน่มๆหรือพระหนุ่มเล็กน้อยจากภาคอีสานก็ดีจากบ้านนอกก็ดีจะหลังหลายเข้าที่กรุงเทพ ทั้งหมดนั้นเพื่อหาโอกาสการศึกษารัฐบาลยังไม่สามารถที่จะจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงกันในชน บ, บทและพร้อมกันนั้นระบบเศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปเออาอาจแยกยกกันอยู่ที่กรุงเทพเออยู่ที่ภาคกลางเออะไรต่างๆในทางภาคอีสานก็หลังไหลกันไปนู่นหลังไหลกันไปทํางานก็ปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ที่แก่เท่าเฝ้าบ้านเฝ้าช่องเลี้ยงงูเลี้ยงควายเฝ้าลายเฝ้านา ความคิดความหาความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านพบคนละอ่านกันในขณะที่ลูกล้านหนุ่มสาวทั้งหลายเข้าไปทำงานทำการอยู่ในกรุงเทพเห็นไฟแสงสีเห็นความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลต่างๆขึ้นโนนสิ่งยัวย่วยวนทางจิตใจทางปราสาทำให้เด็กนี้คิดใหญ่ไฟสูงยากได้ยากมีอยา ก, ยากเป็นพ่อกลับมาบ้านก็นั่งเมิดหมองความคิดที่จะกลับเข้ามาสร้างสรรค์สังคมชนบทขอ ง, นขอ ง, ของตนเอง กับไม่มีมันก็เลยสวนทางกันเดนี่กําลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกเต้าทั้งหลายพูเป็นคนละภาษาคนหนึ่งผู้ภาษาในเมืองอีกคนหนึ่งผูาา้ภาษาบ้านนอกความคิดความอ่านของพ่อของแม่เนี่ไปอีกทางความคิดความอ่านของลูกที่ไปสู่ากรุงเทพไปทํางานางต่างๆ่นคิดไปเอกอย่างในที่สุดมันก็นับวันที่จะทอดทิ้งบ้านช่องห้องหอจะพัฒนาชนบทเรียกร้ อ, รองหาอีสานเขียวเอ้ยเป็นดินทําเป็นดินทองอะไรเอ้ย เข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านแดนที่จะหันหน้ามาร่วมกันเพาะปลูกแอริันเจอร์มาสร้างฟันธ ง, งชนบทช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาว่าหลังไหลกันไปตรงไหนพอจะหาได้อา้าวเกิดพายุเกยถล่มคนที่ตายมากที่สุดกลับไม่ใช่คนปักตายกลายเป็นคนภาคอีสานนี่แหละที่ไปจมน้ําทะเลตายลงเรือตายอะไรตา ย, เ น, ยานเล็กางอย่างเฮงหนักเข้าเฮงกว่านั้ น, เ, นเอาคนอีสานไปลงลับลงเรืออะไรหาปูหาปลาประมงเนี่ย ลองมัน เ, นเป็นเดือนเปนเือนกว่าจะมีเงินมีทองกลับบ้านแต่เสร็จแล้วสิ่งยั่วยวน ม, มอมเมาเขามันมีเยอะบางทีเท่าแก่บางคนมีสองผู้หญิงโสเภนี้ลงไปถึงเรือเลยไปให้กำลังใจกำลังใจเงินทองหมดกันในนั้นเงินเดือนออกก็หมดอยู่ที่ผู้หญิงนั่นหมดอยู่ที่เล่ายญาหน้านั้นนั่นกลับมาบ้านไม่มีอะไรกลัมานั่งเมมองที่จะคิดหาทางไปทํางานทางภาคกลางทางกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมไปลงเรือไปดูแส้เรือปลาม้งเอ้ยอะไรต่างๆ ล้มหายตายไปเป็นเบื้อที่พายุเกตลอบนั้นบอกได้เลยว่าคือคนภาคอีสานมากที่สุดที่นิ้งลนไปมีความจนก็จนลงจนลงแต่คนร่ำรวยปีที่แล้วอาจจะรวยได้กาไรประมาณร้อยล้านแต่ปีนี้ที่เรียกว่าเป็นนิ่งอาจจะขึ้นเป็นห้าร้อยล้านเลยว่าประเมินกันด้วยราคาของกําไรนั้นแน่นอนคนที่ร่ำรวยเศรษฐีทั้งหลายก็ดียิ่งถ้าคณะรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วย บุคคลที่เป็นนักเศรษฐเกิจ ก, ก็มุ่งไปที่ทางเศรษฐกิจกคนร่ำรวยมันจะมีมากคือรวยมากแลยไม่ใช่คนคนร่ำรวยมีหลายคนก็คนไม่กีกก่ตะกูล น, นั่นแหละที่จะมากขึ้นที่ยาร่ำรวยมากขึ้นแต่คนยากจนเป็นหนี้เป็นสินจะมากขึ้นทั้งๆที่พ้นผิดท้องถิน่นเกษตรอะไรต่างๆดีมากขา่าวปลาอาหารใช้ได้ผลฟ้าก็ตกพอจะทำไร่ทํานาได้เงนินได้ทองกันยจบแต่ว่าความต้องการมันนี้มากกว่าสิ่งที่ได้เรียกว่า อ่าดมาีมันมันท่วมซัพพลายปุ ง, ง่ายดีมันมันท่วมซัพพลายได้มาเท่าไรมันก็ไม่พอเพราะบุคคลเหล่านี้ได้รับการปลุกเร้าทางวัฒนธนิยมตามันก็เห็นภาพในนั่งในโทรทัศน์ในละครแล้วก็เห็นของจริงอยู่ในกรุงเทพในสังคมเมืองล้วงกลับมาบ้านหนอกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อคิดอยากได้มีเงินเท่าไร ม, มันก็ระดมทุ่มเทลงไปซื้อแฟชั่นต่างๆอะไรอ๋อ คนบ้านนอกอยากมีรถมีเรืออยากมีโทรท่าพัดมีพัดลมตู้เย็นการบริโภคคือบริโภคทางวัตถุที่เรียกว่าคอน sumer consumer เนี่ยต่อสายติดสังคมบริโภคหรือว่าคอน sumer material คือบริโภคทางวัตถุเมื่อขึ้นมากเกินกว่าที่ได้มากินทางปากไปไม่พอมันจะกินทางตากินทางหูกินทางจมูกปากก็กินข้าวไปตาก็จะดู โทรทัศน์รายการดีๆไปหูก็จะฟังเพลงสเตอริโอดีๆไปจมูกก็จะต้องดมกินอาหารที่หอมหวน เน่ในตู้เย็นในบ้านในช่องเรามีสเปรย์ฉีดเย็นเย็นหอมหอมอะไรต่างๆน้ําหอมขวดและเป็นพันเป็น 103, หมื่นสามหมืนก็ซื้อมาใส่ทีคนรวยสติลมีเลได้อ่านพบนังซื้อพิมพ์บาทน้ําหอมชื่อดังเข้ามาในเมืองไทยขวดละสามหมื่นบาทคนหยิงคุณนายทั้งหลายซื้อมาใช้ที่ดูคนละสามมือดีดดเดียวเดี๋ซื้อข้าวได้เป็นกระสอบทสำหรับคนยากจนอันนี้แหละที่เรียกว่าให้ไงนลอนให้หน่อยบอเต็ม คนรวยรวยมากรหนแผ่นดินแต่คนยากจนนี่จะว่าอย่างไงจนกันจริงๆมันไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเป็นนี่เป็นสินกันมากมายกายกองทั้งหมดนั่นแหละที่เราว่าหายใหญ่หล่นหายหน่อยบมดเต็มตามปกติแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปธรรมชาติทั้งหลายมีสิ่งของทั้งหมดไว้ในโลกนเพียงพอที่จะให้คนเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างมั่งมีสีสุขแบ่งกันอยู่กันจริงคนรวยมากๆแล้วมาแบ่ง ก, กันกับคนจนคือไม่เอาเปรียบเราไม่ต้องหามาแบ่งก็ได้ไม่เอาเปรียบไม่ขูดไม่รีดอะไรต่างๆเนี่ย มันจะพออยู่พอกินในโลกนี้ธรรมชาติมีไว้พร้อมเพียงสําหรับทุกๆคนแต่ในนี้คนรวยมันกอบโกยมากจนเกินไปฝากธนาคารเมืองไทยไปพอต้องบินไปฝากธนาคารเมืองนอกในที่สุดคนรวยก็ไป ม, มีความสุขเหมือนกันคนจนก็ไป ม, มีความสุขเหมือนกันคนรวยก็เป็นเป็ดติดแอร์คือหิวก็หายเรียกว่าวิมานนี่ก็เป็ดเป็ดอยู่บนวิมานในห้องแอร์ดังในในคตัยปีดกเป็ดแต่วัตถุเรียกว่าวีมานนี่กัเป็ดเป็ดที่อยู่บนวิมาน ได้มากเท่าไรไม่พออยากจะตายมาเกิดใหม่ให้ให้ทำบุญดีมากๆเพื่อจะได้รวยขึ้นมากยิ่งกว่าเก่าความจริงนั้นจะเป็นวิมานนี้กับแปะอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจเทียมีมากๆแล้วก็หวาดกลัวเพราะไม่ไม่ทราบไปโกงใครมาไปเอารัดเอาเปรียบใครมาอืโกงทั้งทางตรงทั้งทางอ้อม ท, ทั้ทงทั้งภาษีทั้งค่าขนส่งหักบวกลบคูณหารลงไปแล้วก็ยังมาเมฆมาเอากำไรกับคนยากขนจนนีมากๆอย่างเงี้ย มันก็อยู่ไม่เป็นสุขที่พุทิจารบอกว่าเนกาสีรพเตสุขข่ำปูกอพปกินเพียงคนเดียวไม่พบกับความสุขเศรษฐีมีเงินเป็นพันพันล้านกินคนเดียวไม่พบกับความสุขในที่สุดไปไหนมาไหนมันก็ยังหวาดกลัวกลัวเขาจะหลอบข่าหลอบยิงกลัวเขาจะล้อมมาจับเรียกข่าไทยในที่สุดก็เลยจ้างมือปืนแห่เป็นขยงขยงเหลียวว่าเป็นอสุรกายติดแออสุระแปลแบบไม่กหาหานขี่คารว่ากลัวกายยาหมูเราที่ขี่ขาดว่ากลัว ก็เลยติดแอร์ไปไหนจ้างมือปืนเป็นขย óng ถึงขนาดนั้นยังไม่ไหวถูกยิงตายวางระเบิดกันตายก็เลยตาย ต, ายติดแอร์อีกเหมือนกันทั้งหมดนี้เรียว่าตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์ตกนรกติดแอร์อสุรตายติดแอร์ง้อจนเป็นทุกข์เป็นอานเป็นเนรชาติติดแอร์ในข่าความมนุษย์เยามนุษย์สติรชานโนมนุษสเปโต มนุษย์สัสุรากายยมนุษย์สิร ο, ิใจโยตัว เ, เ, เป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรากายตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกทั้งนั้นที่ร่ำรวยมันตกนรกติดแกอก์กอด้นี่ที่เรียกว่าหายใหญ่หล no ่นหหน่อยบอเต็มเพราะความโลภที่มีคนที่เต็มด้วยความชัลาดขาดความดีขาดความเมตตาบ้านนี่มึงก้าเปียกกันแล้วคนนี้โง่ก็โง่กันลงไปอย่างบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายเนี่ย ทำนาได้ข้าวได้ปลาอาหารมาทําบุญสุตะรอลทานกันยกใหญ่แต่สิ่งที่เป็นบุญน่ะนิดเดียวจะแจกข้าวแก่ผู้ล้มหายตายไปตาทีข้าควายไปตัวหนึ่งราคา5 0 0พันหกพันจ้างนังมาอีกหนึ่งจอโว้ยราคาเป็นสองพันสามพันหลังจากนัก้นก็นกนซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันกินอิ่มแล้วรากออกอาจเจียนออกมากินไม่เสร็จแล้วไปทาบุญสร้างซื้อกองบุญมาทาบุญรถ เทลาพิเศษหดสงให้แกพระดีไปดีพระก็อเอาไปขายต่ออีกซื้อโทรทัศน์บังเอาไปซื้อเล็กบังไม่รู้จะเป็นบุญตรงไหนชาวอิสานเราทำบุญกันอย่างนี้เหมือนเลยชิบหายวบบอดเอาบุญพระเวททีดึงข่าควายเป็นสิบตัวจา่างนังจ่างมอลำหมูซื้อเหลากินสามสิบสี่สิบเทถ้าอย่างนี้หมู่บ้านร้อยหรือสองร้อยครอบครัวคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านของตนเองเนี่ย เป็นแสนแสนในบุญทระเอกทั้งหนึ่งบุญกระถินทั้งหนึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าหาวเราจะคิดว่าการทําบุญชนิดนี้เนี่ยลองทําให้หมันสนุกดูเอาเงินจํานวนที่ซื้อควายมาฆ่ากินซื้อเหล้ามากินจ่างนั้นจ่างมอลํามาดูนึงเลิกมันเอามารวมกันแล้วามาตั้งเป็นสากลหมู่บ้านงานหนึ่งหนึ่งนี่เราต้องเสียเงินออกจากบ้านเนี่ย เปินเส้นสเนี่ยลองคิดดูถ้ า, าบนพื้นที่งเงินเสียฟรีๆไปนี่มีน้ำซ้ายังเป็นโครคภัยไข้เจ็บเพราะเมาเหล้าเมายาค่ะตีบีบวยเขา่าคุา ก, ากเข่าตารางกันคอหักตายเพราะขี่รถเมามอเตอร์ไซค์ชิ่งเหล่าเนี้เราเอาเงินจํานวนเนีย่ยออกมารวมกันแล้วเอามาตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านซื้อของมาแล้วก็มาค้ากันเองตั้งกรรมาการขึ้นเอาราคาถูกๆกันไม่ต้องเอากำไรมากมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าสร้าง ความเปลี่ยนแปลงในสังคมของตนเองแล้วก็ช่วยเหลือตนเองในสังคมตนเองได้เดี๋ยวนี้เราต้องไปซื้อของกับพวกเศรษฐีคนร่ํารวยทั้งหลายเมื่อคนที่รวยมันก็รวยขึ้นเมากขึ้นเนี่ยหายไงมันก็จะล้นไปเรื่อยหายหน่อยก็บอเต็มเขาซื้อมาสมมติว่าห้าบาทค่ขาขนส่งอีกบาทหนึ่งจากกรุงเทพจากโรงงานมาก็เป็นหกบาทค่าภาษีที่ต้องเสียให้ละห้าสิบตังเป็นหกบาทห้าสิบเสร็จแล้วเขามาขายแล้มันสักสิบาทเนี่ยไปยังไงสิบบาท เอากําไรไปแล้วสามบาทห้าสิบคิดค่าค้นทรงคิดค่าภาษีที่เขาจะต้องเสียให้รัถคิดค่าอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยยังมาบวกกาไรเพิ่มไปเราตายลูกเดียวมีแต่แบกแบกทั้งค่าค้นทรงแบกทั้งค่าภาษีที่กคนที่เขาขายเขาก็ลงทุนซื้อมาแล้วเอากำไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเขาเอามากๆด้วยเพิ่มทั้งค่าค้นทรงค่าภาษีส่วนลถอะไรเขาเขาซื้อมากๆเขายังมีส่วนลดจากไม่ได้แฟคทอรียจากโรงงานของเขาเนี่ย เพราะเหตุนั้นหายใหญ่หล่นหายน้อยบ่อเต็มหยใหญ่เอาหมดทุกอย่างค่าภาษีเอาหักมาเป็นกำไรด้วยค่าขนส่งหักมาเพิ่มเป็นราคาขายพวกเราไอ้หน้อยนี่ก็ซื้อไปเธอขายข้าวไปซื้อขายปอไปซื้อขายมันไปซื้ อ, อลองคิดดูพอขายมันใหม่ๆขายข้าวใหม่ๆได้ใหม่ๆเอาหนังม า, าย าผู้เด็กสิบาทเด็กห้าบาทผู้ใหญ่สิบาทคนที่เอาหนังมาฉายมาหล่อลวงเอาเงินของเรานั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่คนยากคนจนเจ้าของบริการเหล่านี้มีแต่คนร่ำรวยไหาใหญ่มันก็เลยล้นไปเลยไหายหน้อยกระขาดแขนบอ่อเต็มในหนังในละครนั้นมันสอนอะไรท่านทั้งหลายรู้ไหมทะเลาะ ก, กันมันก็แก้พาเข้าไปกอดกันจูบ ก, กันถ่าชังกันมันก็ชักปืนเก้าไปไล่ยิงกันฆ่ากันทางเงินนั้นมันส่งเสริมกิเลสโลภโธสโมหะ ฟังสมอบรมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนี้้าวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแหม่หมายใจปั่มเกิดมีขึ้นผู้หญิ ง, งขัวเพอก็ขายเนื้อขายตัวเล่นผายเล่นให้โลผู้หญิงเอาละสีดังที่เกล่าวมาแล้วเพราะเห็นนั้นทําอย่างไงใ ห, ให้ให้ไงยังสิบหล่นให้หน่อยจังสีเต็มแล้วก็ต้องกลับมาหาสู่เส้นทางแห่งสินแห่งธรรมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดคนรวยไม่เป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนายทุนหน้าเลือดมันก็เลยกอโอยให้ยไงก็ล้น คนจนเป็นไห้น้อยแต่ไม่มีธรรมะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่เข้าใจสังคมประชุมชนบุคคลเรียกว่าไม่มีสัพปะปุริสธรรมเจ็ดประการมันก็เลยบูชาอบายามุกอยากรวยทางรัดซื้อเหล็กซื้อหวยซื้อไม้ทุกก็เล่นการพนันเล่นการพนันเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหัวจุ่มใส่กันทั้งวันแบบมีแต่จ้องจะกินตับกินไตกินไส้กินพุงกันไม่มีใครที่จะรักกันจริงในวงการพนันนั้น แต่เราก็จ้องเหมือเล่นกันไม่ได้สูญเสียขาดทุนมากลักศกจอกคอไม่มีอะไรจะกินนี่ลักกันป่นกันหนักหน า, น า, นาข้าวกดมองกดไม้บ้านเมืองก็ไม่ต้องเขารบกันล่ะที่นี่อืทําลายป่าตัดไม้อะไรต่ออะไรทำํำงั้งก็เอาเพื่อให้ได้มานี่เรียกว่าหายใหญ่ล้นหายหน่อยบ่อเต็มมันเริ่มจากหายใหญ่คนใหม่มีสินมีธรรมเมื่อข้าราชการใหม่มีสินใหม่มีธรรมมันก็ไปเอาเปียพ่อข้าหักภ า, าสีอ้าวแกบภาษีาส่วนพ่ํา ไม่เก็บตั้มซ้อนว่าเข้าไปจังนั้นมันก็มากขึ้นมากเงินเอาไปเอามาภาษีตามกฎหมายยังไม่พอยังมีภาษีกินบีตั้งตรวจกันจับกันกินกันอย่างนี้เมื่อข้าราชการไม่มีสินทำก็เอาเปียบพ่อค้าพ่อค้าถูข้าขราชการไม่มีสินทำบีคูรีบทั้งพวกภาสองภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะขี้ยึงคนโบราณทั้งหหวเนะ่มันจะ ม, มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจน ลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็าไปคิดภาษีต่อสมมติว่าเขาซื้อมาห้าบาทค่าภาษีหนึ่งบาทสมมตินะแล้วก็ค่าขนส่งห้าสิบตังเป็นอันว่าต้นทุนเนี่ยหกบาทห้าสิบเขาซื้อมาห้าบาทาค่าขนส่งอีกห้สิบตางค่าภาษีหนึ่งบาทสมมุติเนี่ก็เป็นต้นทุนหกบาทห้าสิบเขาถ้าเอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเป็นดูปานีกันล่ะฉันขายเลยสิบาทนี่ยังถูกที่สุดก็ได้กําไรสาบาทห้าสิบ อย่างนี้คือเนี่ยว่าเมื่อข้าราชการไม่มีธรรมก็ไปเบียดเบียนพ่อขาเมื่อพ่อ้าไม่มีธรรมก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนาเมื่อชาวไร่ชาวนาได้รับการเบียดเบียนไม่มีธก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศอ่ะมันแรงมันทุกข์มันยากอะไรกันลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอิทัิปิยตาเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้อันนี้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอาอิทัปปิยตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้จะเกิดขึ้น อีมัศมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอีมัศมิงอสติอีทางหน้าโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นข้อนี้ที่เรียกว่าหายเงล่มหายเงล่งล้มหายหน่อยบ่อเต็มนะก็หมายว่าคนไม่มีสิ่มีธรรมคนรวยจะเป็นไม่เป็นเศรษฐีใ จ, จบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนเป็นหายเงล่ม นิกลงไปกําไรนี่ไปนี่พวกเศรษฐีนายทุนนั่นหลายมีกําไรเป็นสองสองร้อยเปอร์เซ็นสามรอยเปอร์เซ็นแต่คนจนทุกลงไปอีกเป็นร้อย้อยเปอร์ซ็นตอีกเหมือนกันมันก็จากได้เอาเปรียบกันละทีนี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันไม่มันถูกเอาระเอาเระเบียบมากขึ้นมันก็รักกันป้นกันมากขึ้นอย่างนี้คนนึงก็คนทํางานทํางานเกือบตายอีกคนหนึ่งก็ไปล่ามไปเลียไป ้ําอ้อยเจ้านายก็ขึ้นเงินเดือนสักสองขันสามขันไอ้คนดีดีซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานกลับหมองข้ามพอคนนี้มันกินเหล้าเมายาไม่ซูบุรี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดํากลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆผูกผูกพวกทัก้งหลายเกลียดชังหาว่าไอ้หมอนี้มันมันมันมั น, ม น, มนไม่ดีในความไม่ดีแล้วนั่นคือเขามีแต่ความดี ไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาได้คนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่วยเหมือนไ ห, หน่อยบ่อเต็มขังหน่ำบ่อขาดมันไม่เต็มอุปมาเหมือนหหน่วยบ่เต็มขังหนําบัดว่ายามการไส่เกินว่าวิ่งแลนมันหักแสนหยากเยียนเพี้ยนส่างซอยนัยในข้าวนั้นจะมีโจรผู้ไายซิ่งหยาดของหลวงทั้งกระซ่วงเศ้าขนมุนมีตีพุ่นโจรผู้ไล่ซิ่งหยาดของหลวง คำว่ขอสิ้นญาติของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในคาบค่าราชการก็ได้ขอรับชันช่อลาดบางห้วงเงินผงเงินพันออกมาในกลายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปื่อยหยดดจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายสิ้นญาติของหลวงทัานกระซ่วเศร้าขนมุนมีตีปุ่นควนเมืองห่อนน่อนตาบอดไอ้มวยการเก็บสวยนับตั้งแต่มือเสีห่ห่อนห้อมถอนเขาใส่สัง บอให้ยังอยู่ข้างทีพินดินดอนทั้งอกรหน้าสวนหมวนล่งบอมีไหวผ้าซีเกลือผ้าซีใหม่ใบยากันต้ายินหอดขี่ดินบ่อนขี่น้ําจิ๋ให้ทรงหลวงเจิงว่าให้ปากกว่างล่วงหลอกกินไตคือทางไทยกินดีเมื่เล่าข้าวนั่นอัศจรรย์ น, นอนี่กํา ม, มี่เจี๊ากข้าวโอ้ย้ยฟงมูไพร่าพี่นองฟังแล้วให้หาห่อนเนธพรานแต่คนโบราณนั้นว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่แปดขอภหยความฝันข้อที่แปดได้ผ่านไป ต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่เก้าซึ่งประเจ้าปเ็นที่กลัวสนฝันเอกอย่างเก่าหนะึ่งภาษาบาลีบอกโปคลานีกข้อนี้ฝันเห็นสระฝันเห็นสระสระโบกลณนีภาษาไทยของเราดีกว่าสระโบคลานีสระดอกบัวข้างนอกที่ริมขอบสระนี่มันเป็นท่าน้ำที่ ไสสะอาดแต่ข้างในมันขุนขนหรือว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรมในข้อนี้คนอโบราณอีสานบ้านเราได้เขียนเอาไว้ว่าข้อที่เก้านั้นองค์พระบาททรน่าวสางประหลัดข่วมฝันอัศจรรย์ในใจจันไรบ่เคยพ่อขอประซ่องทำเจ้าะสระย่านตัดซองเนท้อนว่าสันฝันล้วน้องบวกนางกลางขุ่นขอกใสมีทั้งมวนดอกใหม่เดรดดาษของหอมซ่อมบังว่างบนหลวงเคืองตางจนขุ่นประทัน ควาันเนตได้แก่ฝุงคุนขาเซน่าสั่นผู้ให ญ, ญ่ใจบัวไสหลอบเหลี่ยวเที่ยวส่อแต่ไพ่เมืองกงกงโกงเขาละเอาเปรียบผู้ ง, ง่งายง่าวลาเมื่อว่าความฝันเนได้แก่ฝูงคุ้นขาเซน่าสั่นผู้ให ญ, ญ่ใจบัวไซหลอบเหลี่ยวเที่ยวส่อแต่ไพ่เมืองทางปากนั่นเพิ่นเบาเกี่ยงเสียงกระมวนข้าจาหาแต่ควอ ม, มาตัวหน่วงกินพอ่อเหลวนักเมื่อไก่กันแล้วคือแก้วไกามารัฐบาลกระบอตั้งเทียงหมัดหันปินป่นเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนดัง น้ำขุนต้มคุณกลางวังขุนบ่อฟังความขุนมุนมีตีมั่งภาษาทะเลาะ ก, กันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีก็ดีคณะรัฐบาลพอดีมีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาัฒนธรที่บริหารบ้านเมืองหรือว่าขุนบ่อฟังความขุน่มุนมีตีมั่ง่านแต่ขางเมืองห่อนนอครค้นบนหลวงฝนหว า, านญาติแเมืองเก่าห่างไพ่หน่ะสีสาบสูญวัสดุ เมืองใ ห, ใหญ่ๆจะร่างลาหลําทะเลาะ ก, กันเอง <c oughs> อะไรเราคิดเด็ดเท็นว่ารัตสภาของเราตั้งมาในห้าสิบกว่าปีแล้วคุณไม่ฟังคำคุณทะเลาะบอแวงกันอยู่นั่นยังไม่เคยครบเทอม4ี่ปีสักทีหนึ่งถ้าหากชุดนี้ครบสี่เทอมก็ไม่นะว่าเป็นบุญเป็นวาตนานนะชุดพลเอกชาติชาชุนหวันของเราเนี่ยคนบารานบอกว่ายานเดือค้างเมืองหอดนครคนะ บนหลวงญานแต่เมืองเก่าห่างไพ่หนาสีสาบศูนหลอกสีเกิดวุ่นเขียวคุนอลาหนปวงประชาชนคุนสีนางโอลข้างโอจักเมืนกำสังโอโอหนอสีผักไผ่ไผ่ศีทนอยู่ไอ้กินหญา้าจังคุ้ยว่าฉันไผ่จะมากินหญ้าได้เหมือนควายเพื่อไงไ น, นี่จักเหมืนการอยากดุยปวดอัดคุ้ยกันน่ า, น, านับหลาสะดอนนอนบมเต็มตาลับก็จนมากการแต่หน่อยนึงเก็บ เอาใหม่อาหารกินสิ่งตอนพ้นละเมืองเดือดห่อนนอนเสียงดังน้ำเขาและน้ำตําถาว่ากินของอันใดมันก็มีผ้าสีคูโซอันคันเตียงเสียงประชาชนหองข้างโวยจังมันอยากปากไปหลายกะหักปากโบได้กลัวย่านแต่ผืนใหม่ขอนี้มีความหมายหลายด้านเรียกว่าฝันเห็นสะบอกครณีไสอยู่ในท่าน้ำริมขอบริมฝั่งขอบเนี่ย น้ำใสแต่ข้างในกับขุนขเอาง่ายๆในส่วนด้านวัตถุถ้าเราออกไปอยู่ตามบ้านนอกขอกนาะความสงบร่มเย็นความเป็นพี่เป็นน้องความเมตตาบาณีกันยังมีเด็กๆไปอยู่ตามบ้านนอกแต่ไปอยู่เข้าไปลึกๆในป่าทางภูงวัวทางบัน่นโนนสารานเอยบัานบ้านนี้อย่างแดงอย่างรียนแถบนี้ใกล้ๆโพกงวัวในแขวงอำเภอบึงของหลงอำเภอเซกาเีย่ย แถมนี่น่าประทับใจถ้าเรานั่งรถไปเห็นพระพิสูจน์นั่งรถไปขับไปฝนตาลบเด็กเลิกโรงเรียนมาเห็นพานั่งอยู่ในรถเนี่นั่งคุกเข่าลงต่างดินพนมมือไหว้แม่เห็นแล้วดีใจปลื้มน้ําตาจะไหลออกให้ได้ว่าเด็กเหล่านี้ดีงามเลิศเกินแต่พอหันไปดูผู้ใหญ่สิที่เดียวผู้ใหญ่ไม่ต่อคุณงามความดีให้แก่เด็กเด็กจะเลิกเอายาสมัยเลเทมเาบ้านในป่านในเขาไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเอา แบตเรี่ไปตั้งเอาทีวีมาตั้งใ น, น, ในวันเต่าเมอุทิศหัวจุ่มใส่กันเล็ดมวยตู่ไปเวลาใดเห็นกินเหล้ากันอยู่ยังงั้นเออเห็นแล้วสมเพศเวท น, น, นาแต่เด็กๆนั้นดีมากเด็กๆเปรียบเสมือนขอบฝั่งเหมือนขอบฝั่งสะกโตมาเหมือนตอนรงกลางของสะัะพระยาประเสันที่โกศลฝันว่าไม่น่าฝันฝันเห็นสระน้ำทางนอกนี่สดใสข้างในก็ขุดข้น ตอนเป็นเด็กดีงามมากเห็นพระทรง์องค์เจ้าเคารพกราบไหว้ยำเกง่งแท้ๆฝนตลบกบตลาด น, นั่งรถผ่านยังนั่งคุกเข่ากราบไหว้แต่ผู้ใหญ่ไม่เอาไหนเลยทั้งหมดนี่เลยว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพงอย่างที่ที่วัดนี่ก่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้กําลังอามีเด็กมาอยู่ในวัดเยอะๆอยู่ในป่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กมาสมาทานอุโบโสถทศิลน่นะศิลปศิลปแปดเด็กสมาทานศิลปดโรงเรียนชั้นปสามถึงปสี 4, ป่ปห้า อาจมาคิดเห็นทางประเทศอินเดียเขามี forest school หรื school forest คือโรงเรียนป่าพวกชาวศาสนาฮินดูศาสนาพาราหมณ์เดี๋ยวนี้เขายังรักษาพิธีที่เรียกว่า school forest และ forest school คือโรงเรียนป่าเขาเอาเด็กโต อ, อายุประมาณสิบปี อย่างนี้เข้าไปอยู่ในป่ามีครูบาอาจารย์พวกฤาษีพวกนักบวชนักพจน์เป็นผู้แนะนำพร่น์สอนอบรมกิริยามารยาทต่างๆเขาเรียกว่า f o r e ล t s c h o o ูลโรงเรียนป่าเพื <zych> ่อจะให้เด็กของเขาเป็นเด็กที่ดีซึมซาบอยู่กับธรรมชาติ ix. เรียบง่ายสอบคล้องกลมกลืนไม่ตื่นเต้นล้องลอยกับวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยม เให้เขาเกิดลักษณะที่รว่าเพลินหรือยุบิ้งหายิงจรเดี๋ยวนี้ที่วัดอาดามาเนี่ยมีจานวนมากแล้วเป็นยี่สิบแล้วในตัวเล็กๆนารักพ่อแม่ไม่มาไม่เป็นไรพอ เ, ล, เลิกโรงเรียนก็พากันมาละพากันมาวัดวัดไปอยู่ในปาา่าไกลๆมาถึงมีอะไรก็กิกนข้าวหลังจากนั้นก็อ่าถูสร้างลาทําสะอาดอาบน้ําอาบผ้าพระเนรเปลี่ยนกันเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพัมซ้อนฝึกกิริยามารยาเชาวมาพระตื่นขึ้ น, นเด็กก็ตื่นมาด้วยมานั่งสมาธิ นั่งเนย้อยเด็กมันก็นอนหลับนอนหลับก็ยังดีกว่ามันดึกพอพระหันทําวาสุนมนตอนตีสี่มันก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีกพอสว่างมากอบมาทําสะอาดศาลาทําสะอาดที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นก็กินข้าวสามเณรพี่เลี้ยงบางทีพระส่วนมากจะเป็นสามเณรนึ่งข้าวหุงข้าวปลากระป๋องไปเทศมานตรงนั้นมาเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็เลี้ยงพระเลี้ยงเด็กด้วย เด็กกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยล้างหัวยล้างชามเตรียมอาหารใส่เป็นโต้ก็พร้อมกันมากราบมากราบเรียบร้อยแล้วก็เดินไปโรงเรียนเอาอาหารไปกินด้วยตอกเย็กก็กลับมาทำอยู่อย่างนี้แล้วกลับมากลางคืนก็ม า, อ, า, าอ่านหนังสือทําการบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้กินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับพระกินในกาลัมังอันเดียวหนุ่มขาวหอมขาวสมาทานศีลแปดแล้วก็พากันหัดทําวัดสวดมนต์สวดมนต์แปลอะไรต่างๆแล้วแต่พระเนท่านจะสอนให้ อย่างนี้เราเรียกว่า school f o r e เรียว่า forest school โรงเรียนป่าซึ่งาศาสน า, าพรามศาสนาฮินดูเขายัางรักษาประเพณี้ไว้อยู่อย่างนี้คือเราต้องการปูพื้นานให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้างนอกเหมือนขอบคนที่เรียกว่าสระน้ําเนี่ยทางทางริมข้างนอกของมันเนี่ยมันสวยงามมันใสแต่ข้างในมันขุ่นขน้นเดี๋ยวนี้ตอนเด็กๆเราสามารถที่ทําให้สดใสได้แต่แก่มาไม่แน่โตมาไม่แน่ พอสิ่งแว่ล้อมดังกล่าวแล้วเข่าเมืองล่วงดูนั่งดูละครไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมแฟชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นเด็กเหล่านี้ก็จิตแตกไก่เพลทั้งหญิงทั้งชายไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยทำยังไงจะให้น้ำในสระเนี่ยมันใสตลอดจะเอาสารส้มลงไปกวนมันทั้งสระจะดีไหมสารส้อมอันนี้ก็ไ ม, ม่มีอะไรก็คือศิลธรรม เอาศีลธรรมกลับคืนมาเด็กดีแค่ไหนนั้นยังไม่ปลอดภัยถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ดีเด็กดีเป็นสีแกชาติเด็กชาลาชาติมั่นคงคําขวัญที่พูดออกมานั้นฟังภัไผ่ราะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาได้ฝึกเด็กมาแล้วดีแต่โตมาแล้วมันก็เสียเพราะผู้ใหญ่ไม่พามันดีสภาพแวดล้อมเป็นพิษเป็นภัยที่พวกฝรั่งเขาบอกว่า the environment no less than heritage who make the, uh, uh, individual character risks เขาบอกว่าสาภาพแวดล้อมเนี่ยไม่แพ้กับกรรมพันธุ์ที่จะทําให้นิสัยใจคอของบุคคลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นหลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้เด็กเราจะฝึกยังไงให้บันดีบันดีได้แต่โตมาสักหน่อยมันก็เสียพ่อผู้ใหญ่ไม่ดีใครเป็นเจ้าของโรงงานใครเป็นเจ้าของนังเจ้าของละครใครเป็นเจ้าของอดิสโกทอลิสโกเทคซิงยั่วยว่อมมามาวทาลายใจิตใจของเด็กมีแต่ผู้ใหญ่นี่เรียกว่าข้างนอกสะนั่นข้างนอกใสยแจ๋วเลย แต่ข้างในมันขุนข้นถึงคนโบราณท่านพูดอย่างนี้มาข้างนอกมันสดใสข้างในมันขุนข้นที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเห็นนั่นเป็นอย่างนี้ในบ้านในเมืองก็เหมือนกันตามบ้านนอกบ้านนาสงบร่มเย็นอากาศดีสบายแต่ถ้านั่งรถเข้าไปถึงเมืองเขตสุขาพิบาลเนอย่างนี้เหม็นกลุ่มเลยไม่รู้เหม็นอะไรเพรอะไรมันขนมันเยอะเองเขตเทศบาลก็ยิ่งเหม็นใหญ่ หลายลังคิดดูเดี๋ยวนี้ในป่าหอมในเมืองเหม็นในป่าในบ้านนอกเย็นในเมืองร้อนๆไปในกรุงเทพหายใจไม่อิ่มดอกปังาบปะงาบได้บ่อนอยู่คือป่าเนี่ยอาต่มาไปชิวไม่ได้ถึงสามวันโอ้ยตายแน่ๆต้องออกมาเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาได้ซื้ออากาศหายใจและน้ำในโรงงานอินดัส tri ใหญ่ๆเนี่ยเขามีทุงอากาศให้หายใจปานดมกาวอะไรดิเขาจะมาอยู่ประเทศไทยหาซื้อดินซื้อยากอะไรต่างๆในเมืองไทยของเราเนี่ย ทั้งหมดนั้นคืออะไรคือการที่เรียกว่าข้างนอกมันสดใสข้างในมันจะขุ่นข้นเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตมีในจิตใจของคนบ้านนอกแต่คนในเมืองนั้นไว้ใจกันไม่ได้เลยหน้าตานั้นเยิม้มแย้มแจ่มใจ๋ใสพูดจาในอย่างนั้นนะคะอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนั้นนะคุณอุ้ยดีเหลือเกินปากหวานแต่ทางจิตใจนั้นไว้ใจไม่ได้ มีแต่ความที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบกบฏขีควมเห็นซึ่งกันและกันข้าราชการเจ้าใหญ่านายโตทั้งหลายที่ได้ศึกษา ม, มาอย่างดีบางคนมีสินมีธรรมนาโงนะ่าแกว่าทํำยังไงน้อจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยตั้งชมรมมันขึ้นมาพยายามที่จะช่วยแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เพียงพอส่วนมากยิ่งได้รับการศึกษา ม, มาดียิ่งฉลาดในการที่จะเอาเปรียบปากหวานอย่างดีแต่เสร็จแล้วม่นกินกันทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนี้แหละความฝันอันนี้จึงบอกว่า ข้อที่เก้านั้นฟันเห็นที่สระมันมีแต่ความใสข้างนอกแต่ข้างในมันขุนข้นที่บ ว, ว่าฟันว่าน้องบวกนา้กากลางขุ่นขอกใสมีดอกไม้เดลอนดาดดวงหอมซ่อมเบิ้องว่างเบื้องหลวงเคืองการจนขุนข้นความฟันเหนี่ยได้แก่ขุนได้แก่ฝุ่นขุนข่าเสนาสันปูใหญ่ใจโบไซหลอบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ภายเมืองเจ้าใหญ่นายโตจิตใจดังหนึ่งแต่คําพูดคาจาเป็นอีกอย่างหนึ่ ง, ง, งมันก็ช่อโกงคอรับชัน้นช่อราดบังหลวง เป็นอย่างนี้เอาละข้อนี้ก็ควรจะต้องผ่านไปเวลาของเรามีน้อยข้อที่สิบข้อที่สิบภาษาบาลีว่า ป, ปากังอา ป, ปากกังแปลว่าไม่ได้ฮวงทําให้ฉุก <c oughs> ข้อที่สิบองผาบาทแจมเจ้าฟันประหลาดเลือล้อไหลฟันเห็นฟุงควนไส่ก่อไฟหุงเขา่าพ่อเมื่อเตาไฟหอดฟื้นท่อนเฮืองฮวงหม้อเข่าหวงเดือดกลุ่มสุ้มเขา่าใส่เตาบาดว่าเลี้ยวบนเขา่าล่างบนโบหันสุก ล่างบอนแป ล, แปลไฟลุกจีล่นดำปีองพระมุนีเจ้าสซลญาญตัดซองบอว่าข้องเหี้านพายหนาสีเสื่อมสูลหลกสีเกิดเดือดบุญเขียวขุนม่วมองค้นผู้เป็นขุนบ่ทำตามคันลอ่องยองหยี่ตีป่นเอาแต่บุญไัยได้ทำไปหอยยางบอกว่าท่างเสื่อเขาค้นเถ่าบ่ไปนั่พ่อเมือสังกาล่ำตนตำลงไปมนุษย์ในแดนดินบ่เทียง สั่นหันกิ่งยิงบอย่ำเยีงยงหยาดหัวโตปล่อยจมฟังอารมณ์เรืองบอกเกินเถ่าผ่านหัวฟุ้งมูอากาศกลัวปิ่นเปียนเวีย น, น, นหัววันเดินปีกเ็เขื่อนข้าวนาหนาวห่อนเป็นไอกะเขื่อนข้าวนาหนาวห่อนเป็นน้ำสังขารข่อนเดินปีบือเก่าองค์พระพุทธเจ้าห้องว่เหล่ามากต่อไปหอดเดินหาฝ่าลวงเดินหก ฝนบอตกห้วยห่ำปลาดงององออดล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวมาฝ่ า, าลวงมีตะลมลวงตอ่งปิ้นปิวเปียงปิ้นไปเปนน้ำหลอกของเฮ้าไก่ขอนเคืองศาสนาเคืงขวัญศาสนาพุทธมนุษย์กวนโลกากลางวันหลกคนเฮาห่อนผ้ า, นากันซ่อมดูทอนขั้นบวชคือคว่มพระองค์ว่าไก่ว่าศาสานาของพระพุทธเจ้าเข้าถวนหากสิเห็นเจ้าเอ้ยอันที่คนเวลานันเถิดอย่างนี้นะเพื่ออย่างนี้ ท่า น, นเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึ่งซึ่งในใ น, ในภาษาบาลีบอกอาปาตังอาปาตังนั่นหมายถึงว่าหุงข้าวไม่สุกหุงไม่สุกคือพระเจ้าประเสริฐที่ก่สอสนในฝันเห็นคนคนหนึ่งกอไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวข้าวหม้อเดียวนั้นงานสุกสุกดิบดิบแล้วก็มีบางเกาะแฉบางกางกไหมเลยชนิดไหมไปเลยดำไปปี้ไปเล ย, เลยคน คนโบราณท่งนก็เลยเล่าให้เราฟังว่าอากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ในศิลปในธรรมคนทั้งหลายก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันหลังจากนั้นฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางแห่งจดตกจนท่วมท้อนอย่างที่บ้านกระทูลของเรานั้นตกจนแผ่นดินภูเขาหั่นทลายทับกันตายทั้งบ้านในทางภาคอีสานฝุ่นตาหลบกอบตลาดไม่มีน้ําที่จะให้งัวให้ควายกินอะไรพวกเนี้ย ทั้งหมดนั้นก็คือว่าคนเราไม่มั่นคงในศิลปในธรรมสังกาล่ําต้นดำล่องไปมนุษย์ในแดนดินบอเทียมสั้นหันเก่งญิงบายำเยงหยาบคัวโตปล่อยจมูยิงก็ไม่กลัวผู้ชายได้นี่จะหนุ่มกางเกงทําอะไรมันเป็นผู้ชายไปมดไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทําได้ไหวฟังอารมณ์เรองเบาเกินเถ่าพันหัวฟุ้งอากาศกัวเปลี่ยนปิ่นเวียนหัวอากาศกัวเปลี่ยนปิ่นเปลี่ยนเวียนหันวันเดือนปีเคี่อนข้าหนาวขวอน เป็นน้ำสังคานขอนเดือนปีบอกคือเกา่าองค์พระพุทธเจ้าห้องวอกเหลวาามากอันนี้ท่านด้พูดว่าถ้าท่านไปเปิดพระไตรปีดอกในเรื่องอทำมิกระสุดก็จะได้พบที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องคนไม่มีิีลมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไฟลมไปดูสังยุต อ, อังคุตลานิายท่านจะได้พบแตนบอกว่าสุริยะจันหิมาปริวัติตันติวิสรม พระอาทิตย์ประจําก็จะหมุนเวียนไม่สาม่ํามเสมอสังขารขอนเดินปีบวคือเก่านัในทันวายเนี่ยว่าตาวายันติวิสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดไม่สาม่ามเสมอหมุนเวียนไม่สาม่ํามเสมอหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามระดูกันนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีศีลมีธรรมยิ่งไปกว่านั้นในคําที่เรียกว่าฝันเห็นหมอดข้าวสุกสุกดิบดิบบังแห่งก็ะไม่บางแห่งก็แฉะ เอาความพอดีหายากเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี่มันมีคนประเภทสุกสุกดิบดิบประเภทใหม่เกลี่ยประเภทที่เปียกแฉะ <c oughs> เรานี่ยังยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่ก็มีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันจึงมีคนเปียกเปียกแฉะดิบดิบสุกๆุบางแห่งก็ไม่เกลี่ย เอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกันมันดูพระสององค์เจ้านักการศาสนาก็เหมือนๆกันมีพวกเปียกๆแฉะแฉะพวกไม่จนเกลียก้ยงก็มีอีกพวกหนึ่งกด็ดิบดิบซุกซุกดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสง์องค์เจ้าของเราในบางแห่งก็มีเปียกแฉะ เบียรแชรคือว่าโอ้ย อ, อยู่ดีมีสุขที่สุดแล้วก็ย้อนยานที่สดในประธรรมวินยัยไม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินฉันเช่าเอ็นฉันเป็นนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มเข้าใส่กันนั่งนะข้าวทิ้งประธรรมวินยัยไม่สนใจขอให้คนได้ก้าบได้ไว่ายมีอยู่มีกินไปบันบันหลอกลว ง, ลงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขะ่ะดิบดิบสุกๆุเปียกแชร์อีบางแห่งก็ไม่เคลียมเลยจะดิงไม่เตรียมเลย บางแห่งก็ไปสุดตรงแข่งจนข้างเอารองท้องรองท้าใหม่ใส่เงินท้องไหม่จับพวกเนื้อพวกปลาอะไรไม่กินฉันกินมังสวิรัตหลังแกนันกจะโอมตีกันสาดเสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดฉันดีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่ไม่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่กันไปเลย แล้วก็ได้ทะลอกกันล่ะทีนี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งคข่งจนข้างพวกหนึ่งยอนจนญานเปียกแชะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งก็ดิบดิบสุกสุกเอความพอดีพองามก็คือความสุกพอดีไม่เปียกไม่แชะไม่ไม่ไม่ไม่ดิดิบสุกสุกสุกพอดีกินได้มัชชิ ม, มาปฏิปทาความถูกต้องสายกลางมันอยู่ตรงกลางนั่น เราช่งหายากเย็นกันและเกิดอันนี้คงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อเนี้มันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อเดียวกันเนี่ยเขาล่างบอนบอท่ันสุกล่างบอนแปลวไฟลุกจีร้นดำปิประธานองค์ผูมิภพมุนีเจ้าสรลัญญาตัสสองบอกว่าข้องหีบ่านไพ่นาซีเสื่อมซูลเห็นไหมล่ะค้องหีดนั่นก็คือจารีมันจะเสื่อมซูน บางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธลุบอิทธินปูนสายไปตรงกาบไม่ตรงไหว้ไหว้ทําไมดอกไม้ถูกเรียนไม่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามากดแปลกันเ อ, เอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันมั น, ม, นมันไม่สุกเลยมันดําปี้เลยที่ว่าไฟลูกจีร่นดําปีองค์พาร์มอนี่เจาะสรญายยันต์ัดซองบอกว่าข้องหีบบานไพ่หนะสีเสื่อมสูลหลอกสีเกิดเดือดบ่นเขื่นคุณมั่วมอง คนผู้เป็นคุณบอ่อห้ำตามคันล่องยองยี่ตีป่นเอาได้บุญไผ่ได้ทำไปห้อยยางบอกว่าท่างเสียงเข่าค้นเถ่าบอ่อไต่หน่ำแน่เกิดสัตยธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นก๊กเป็นเราเป็นโมเป็นคณะเกิดปูธุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ำซ้อนอยู่บ่อยๆและในประเทศไทยเรายัางตบดผีบุญผีบาปที่บ้านตะพือกุศกรเมืองอุบลราชธานีจาการพืชอผลของเราสมัยก่อนโน่น หลังจากนั้นก็เกิดมีพวกตัดกรรมตัดเวนสอกเคาะพวกผีบาปผู้มีบาปทั้งหลายกยังจไม่ทันเห็นหน้าพระเจ้าทำมิกราชก็ให้ไปตัดกรรมตัดเวนที่เมืองยะโสธรวัดสิงหะการะดีพระโกอินบัต น, น้องอีรุนอย่างนี้พระครูอนันท์นิคมเขตพระครูต่างๆที่วัดสิงหานั่นอีกอันหนึ่งสมัยก่อนโน้นสุดท้ายก็ถูกจับกันไปอะไรกันไปพวกตัดกรรมตัดเวนนี่สอกเคาะเดี๋ยวนี้ก็เกิดมีกันขึ้นอีกอย่างนี้เราจะเห็นได้อย่างนี้ พราะเหตุ น, นั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะได้รับฟังจะไดพิจารณาศึกษากันต่อไปล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝ่าหลวงมีดจะล่มลวงตองปิวเปียง ป, ปินใบเป็นน้ำโลอกของเฮาไก่เคืองขอนตัดธนาผุธมนุษย์กวนโลกาหลอกข้นเฮาขวานพาคกันซ่อมดูถอนคันบ่คือคว่ำพระอง ค, วองควว์ว่าใกล้วางศัสนาะกองพระพุดตเจ้าเฮาถวนหากสี่เห็นเจ้าเลยประชันเอาแล้วนะั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอ มันยังเหลืออีกตัง้งหก ข, ข้อที่เอามาดูข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอดนี่ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นกันข้อที่สิเอนั่นพระกาฟันเห็นทอนใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีราค่าแพงค่าสูงแสนตื่อเขาก็เอาไปสื่อข า, ายกินแหลกไก่เอาจันแดงงงดไก่กระเสือสาสหน่หน่อยแค้นหอยเชียว้ายอันนี่แล้วเปิ้นว่าผ้ายาพุนไก่ขอนสาสนาพุธ มนุษย์มีโลภะเหมือนมั่วกลัวเหมือนเหมือนมั่วเม่ากลุ่มซุ่มพูดถือสินส่างเป็นจูว่าเจ้าหัวเบาวเห็นผ <Myster ious S 2> ู้สาวแหล่วเอินเสื้นเส้าดังสาหายออกจากหันสงสิเป็นผู้ไายขายสัสว์นาผุธเอาประถมลงหมดจ่ายกินสินจ่างทั้งเป็นตึกเป็นขายกินปิ่นไปเอาปรผสมพระวินัยงัดใส่กระเซือกระสาโต้โซนผาเที่ยวขายว่าสันดีคนโบลานท่านหมายอย่างนี้จังเป็นเหวินเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบถือวินัยภัเมืองวายมยาน นี่แต่คนผ่านกาโลกกาเชียวคุณศาสนาเกิดบุญศูนเสามุน์ทลายสงสิเป็นผู้หายขายศาสนากูสพัพพนิวลิงเห็นนายสะอางพางหายขันว่ากายไปหนหนาศาสนาของอเฮ้งจึงจีฟืน้นขึ้นไม้หัวสัน่นยังจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วไหนะยังจะฟืน้นเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่ศาสนาลวงเหลวาหายแววข้นลืนหลัลงคังนั้นแล้วคนติดอยู่เป็นซุขหายจากโลกค่าทุกโลกไผ่สิไกเหนือไพผู้ ยังแฮมเหือดเห็นทางฝ่ า, ฝาลวงขั้นจะได้ผลจากบวงเว้นหายห่างไกลพุ่งมุมั่นบะใบเมื่อหนาอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข่าเดือนสี่ปีกุลไม่รู้ปีไหนอปีคุณเดือนสี่เพาะฉันไม่รู้พอสละไหลคนโบราณว่าไผพพ่ผู้มีบุญหลายจึงสิ่้องค่อยเห็นนอนพุทธทั้งเดือป่าให้พ้ากันถือสินหาภาวนันนาเดือเม้ยังจะเห็นจึงแผลว่ามีเว้นห่างไกลในช่วงนี้ประวัศาสนาจะได้ตกต่ำช้า เลวทามลงมาแล้วจึงจะเกิดมีคนดีขึ้นมากรอบกู้พุทธศาสตร์นาจะเจริญรุ่งเรืองที่ฟันเห็นแก่นกันแดงคือของเป็นราคาแพงที่สุดเอามาใส่ใส่ตะ ก, ก้าไปเที่ยวขายแก่นกันซันเด่ w วูดราคาเป็นกิโลละสองสามหมื่นเมืองนอกที่เขาซื้อกันนะี่นะอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบ ว, ว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความโลภถ้าสองค์เจ้าจะทาตัวเองเลวทราม จะมีลูกมีเมียจะเล่นหัวยอกเอือนกับสีกาดังที่เราจะเห็นสมีนั้นสามีนี้ดังออกมานอกจากนั้นก็หลอกลวงเป็นมานป่นสาสนะว่า อ, อะไรล่ะเครื่องลงเครื่องลาดอะไรมีให้เราเห็นหลังจากนั้นเขาจะเอาธรรมะนี่ไปแลกจ่ายขายกินอาตมาเคยได้ยินบ่อยๆเนือบางครั้งบอกโอ้ยอาจารย์สมพรนี่ไปนิมนต์ท่านไม่มายังน้อยต้องสามพันเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางแห่ง ซึ่งไม่รู้จักข้อมูลจริงแล้วก็ไปพูดโมเมแล้วบางคนคนจริงเขกจริงหรือเปล่าได้ยินต้นเทพไม่เห็นว่างั้เข า, าก็มามาครับสุดท้ายมานิมอนต์อะไมาบอกว่าต้องมาล่งหน้าเพื่อมันเต็มซะก่อนความจริงนั้นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบของทุกๆเดือนฉันไม่ไปไหนจะต้องอยู่อบรมพระเนนทั้งสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดคนต่างถิ่นต่างที่มาหรือบางทีก็ชาวต่างประเทศมาเนี่ย มันไปไม่ได้จะต้องแบ่งเวลาสิบวันของทุกๆเดือนแบ่งให้กับพวกที่อยู่กับที่และก็พวกที่จอนมาเพื่อจะได้ศึกษาประธรรมวินัยจะได้บาเจริญสมาธิภาวนานหลังจากนั้นวันที่สิบไปแล้วถึงสิ้นเดือนเนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องออกรอนแรมไปสู่ที่ต่างๆพระพุทธเจ้าไปเที่ยวเทศจนตายนะมันจะตายสันอย่างเดินอีกทางหนทางตั้งแต่เมืองปาวากุสินารายี่สิบห้าคาบุทันเดินไปราบเพื่อไปในที่สุดท่านก็เทศไปตามทาง จะตายแท้แท้ยังยกคอนั่งขึ้นมาเทศเอีกว่ า, ามันแต่ยาไม่วัวพิฆเวปฏิเวทยาม่โวพิฆเวก็ยมายาธรมาสั่งขาราประมาเทนะสัมปาเทหิเนี่ยเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาธเธอทั้งหลายจงยาได้ประมาทยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่เป็นวาจาเครื่องธรรมสอนของเราในครั้งสุดท้ายจนเทศจนตายจะไม่ได้กันเทศสักบาท ทำไมเราจะต้องไปเทศเอาแต่กันเทศกันเทศมี่เข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยจา์พร้อมๆนี่จะต้องสามพันขึ้นไปเคยมีที่ไนะหนพระสงฆ์องค์จา้าที่แท้จริงไม่ต้องมาจ้างทันดอขอให้ท่านมีเว ล, เวลาแต่อย่ามาแย่งเวลาไปจากวัดสมดนะ อันนี้ไม่ฟังเสียงเลยวันไหนก็จะเอาต้องเห็นใจศาสนานั่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันวแต่ประเทศสอนชาวบ้านพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวันขาดความอบอุ่นว่าเวเดียวได้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่ได้ใกล้ชิดในมันเสียหายหากักบ่มันที่ผ้าต้นตุ่มตายก็อยากจะกราบแหละอยากจะกราบลงกลางเทบคข้าวปลายตีนนู่นแหละขอร้องวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนั้นไม่อยากให้นิมนต์ไปไหนเลยอยากจะให้ได้อยู่ ที่วัดได้อบรมพระเน้นแต่ค้นคว้าพระธรรมวินัยไต่ปีดกแล้วก็ได้ทําสมาธิภาวนาแบ่งเวลาให้บั่งอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากขอให้เข้าใจว่าไม่จะไปเทศเอากันเทศกันเถื่อนบังควรไปเทศในเมืองเลยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวยกขันไปหาแพ่เทศขอร้องว่ามาให้ไม่ได้มาเอาทําลายสมาธิผู้ฟังผู้เทศเสียเงินเสียงทองติ้งกังติ้งกังนั่งฟังเสีดีกันเทศที่ดีที่สุดคือตั้งใจฟังด้วยความสงบรำหน้าพินิจพิจารณาไปตาม นี้ฉะนั้นเราจะได้ขายาศาสนากันกินดังที่ฝันเห็นเอาแก่นจันแดงใส่ตะก้าไปเที่ยวขายนี่แล้วหินแหก้ับเกิดเป็นนวยแกวพิลาเข็มคาใส่แ่งจวงจันขูคล้องหอมมีคาหนังเทียวส่กาสาคือเบี่ยเที่ยวขายมันใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าสงสิเป็นผู้หายขายศาสนาผุดเอาประทัมลงมุดกายกินสินจ่างตักเป็นตึกเป็นห้างขายกินปิ่นไปเอาประโสดพระวินัยหยัดไป ก, กระเซาะกระซาโต้ส้นผ่าที่ยวขายเดี๋ยวนี้คนต้องการเทปมากดันซื้อเทปไม่ทันดอกแล้วอย่าเข้าใจว่าที่นี่ขายเทปนะถ้าท่านไปซื้อในตลาดเทปเฉยๆเนี่ไม่มีอะไรเนี่ยราคายี่สิบาทยี่สิบสองบาทอย่างเทพพงปพวกออนป้าราคา อันยี่ห่อดีเอดีเอ็กซ์หกสิบเนี่ราคายี่สิบสองบาทเั็นที่วัดเราไม่ได้ขายเราให้ท่านเอามาแลกเราให้ท่านเอามาแลกแต่ถ้าหากท่านไม่มีเราเราก็มีที่มีก็คือเงินที่ทาบุญมานั่นเองเราก็ให้ยี่สบาทท่านคิดดูว่าค่าอาดัดค่าทายอะไรต่างๆแรงงานกับไม่มีอย่างเงี้ย ไม่ได้ทำเป็นเชิงผ่านนี่แต่ทำเป็นเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาท่านหนึงหลายลองคิดดูก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหาเครื่องมันทางไปก็อาศัยจิตใจผู้ที่มีบุญนั่นแหละจะเป็นผู้ช่วยส่งเสริมจะมีท่านที่เข้าโอเค้าใจซื้อเครื่องน้อยๆมาให้ถ่ายอะไรอย่างนี้ ก็น่าอนุโมทนาสาธุการถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ทันพวกอารชีทั้งหลายโฆษณากันโคลนโคลนโคมนหลอกกินตับกินไตชาวบ้านเดี๋ยวก็เอาศาสนาเนี่ยมาบังหน้าขายลูกประคํำขายดอกไม้ถูเทียนไปทัวนิพนธ์เลยเสริมเสนเสริมมงคลตัดกรรำตัดเว้นนั่นเองเอาไปทําลงหมดจ่ายกินสินจ่างตั้งเป็นตึกเป็นห้างขายกินปิ้นไปเอาผสมพระวินัยเงยดใส่กระเสซอกระซาโต้โซนผ่าเที่ยวขายอย่างไหม จังไม่เห็นตอนขายขายหูพ่อพระองค์รงบถือวินัยภัยเมืองบวยยมย่ยามีแต่คนผ่านกาโลกาเขียวคุณาศาสนาเกิดบุญซุนเสามุนตะไลสงจะเป็นผู้หายขายาศาสนากูสะพันยูลิงเห็นนายสางทางให้ว่าทันเดนี่ขายหูพูไว้ก่อนเลยนะเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่เคยมีพระพุทธรูปขายเดียวนี่ไปเที่ยวขายพระพุทธรูปอย่างไม่พอขายาศาสตร์แล้วขายาศาสนากินขายน้โม่กินแหลวขายโตน้าอิ่ขายโต หลอออกมาเป็นเลี้ยนเป็นอะไรอ้าวคล้ายกันบูชากันแพงๆโอ้ยฮีเลอร์กนาดสมเพชเวทนาอีกเหมือนกันที่อาดามาเนี่ยเคยเคยทำรูปถ่ายของตนเองไว้นะไม่ใช่ขายเอาไว้พอเราเราไปจ้างเขาทำมาเพื่อบางคนมั น, ม, นมันมีปัญหา้ลองอยู่เลยอยู่นี่มีจดหมายเขียนมาแล้วเขียนมาเชิงชูเชิงสาวก็มีซึ่งเหม่่ยเคยพบเคยเห็นไม่รู้มายังไหนรุ่น มาจากชายภูมิบุรีลำเอ้ยบอกอย่าลืมเน้ำคาพูดกันที่ที่นี่แม่แม่คาพูดนี้ก็ยังลืมซะแล้วอย่าพูดอย่าลืมนะคําพูดกันอยู่ที่ปาส่ า, ศา พ, พนมลุงว่างันตอนที่จะลงจากรถจําได้ไหมลมพี่พูดอะไรสงสัยจะต้องมีคนเอาเอ า, เอาชื่อไปขายซะแล้วว่าฉันนี่แหละคืออาจารย์สมภพมีจนไม้มาบ่อยๆ บ, บ, บางทีบอกคนคนขับรถเขาเคยบอก ว่าท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีย่างโอย่านี้จริงไหมอย่าอํานะเนี่ยเหมืองกับเรานี่มีรถมีเรือเห็นแล้วแม่มันสับสนเหลือเกินอาดามาก็เลยถ่ายรูปต น, นเองไว้เพื่อว่าใครที่จะอยากจะรู้จักแล้วก็กลัวจะลืมเนะ้รูปหนึ่งที่เขาเขาเอามาเป็นรูปถ่ายปกแข็งซ้ำที่บาทแล้วก็ให้แค่ก ค, ค่ทุนเท่านั้นะไม่ได้ขายได้เคยอะไรดอกต้องการกันความสับสนถ้าจะพิมพ์แจกเลยก็ไม่มีเงินอย่างว่านกะ็ให้เข้าใจอย่างนี้ เดียยนี้พวกเรามันเป็นกันอย่างนั้นก็เลยทําให้เกิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนานั้นเสื่อมลงในยุคเนียจะเสื่อมมากได้เมื่อขายศาสนาเอาพระธรรมวินัยไป้าย้ายรูป้ายรอยค้ายตนเองเนี่ยค้ายนโมกินแหลวค้ายโตนําอีกค้ายนโมคือค้ายคําเตะคำจ้อนไปหลังเสืองนั่นก็้ายโตพิมพ์ออกมาเป็นปั๊มออกมาเป็นเลี้ยนเป็นเลิ้นอาแล้วที่เนี่ยรุ่นโน้นรุ่นนี้ขึ้นมา นี่มันจะยุ่งไม่ใช่พูดเอาเองนะนี่มีในสูตรในธรรมคนโบราณท่านเขียนเอาไว้ที่บระวา่าสงบอถือวินยัยภัยเมืองบอยำยามีแต่คนผ่านกาโลกกายเขียวคุณาศาสนาเกิดบุญส่วนสาบมุนตะาลสองสิบเป็นผู้หายข้ายาศาสนากูสัพญูลิ่งเห็นในสะอานทางไข่ขั้นวากายไปหน า, าศาสนาของเฮาจังสีฝืนขึ้นไหมาศาสนา ที่ที่ที่ลวงแหล่ให้แว่วขึ้นลื่นหลังหมา้ความว่าเมื่อมันเสรอมแล้วจะมีคนมากอบกู้ขึ้นมา มีคนกล้าขึ้นมาคนดีแห่งกรุงศรียุธยาผ่านไปคนกล้าแห่งรัตนโกสินทร์พูดจริงทำจริงขึ้นมาตายแล้วก็เสามีแห่งพูดความจริงขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันใดงามค่อยพูดค่อยจา ก, กันขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจกันมาเข้าโอเขาจะก็จะมาช่วยกันครั้งนั้นแล้วคนสิเดยอยู่เป็นสุขหายจากโลกขาดถูกโลอ ก, กใ ห, ห, ห, ห, ห, ห, ห้สิไกลเหนื่อไภัยบุญยังแหมเหื่อเสหนทางฝาหลวงคนสิเดยพ้นจากบ่วงเวน้นหายห่านไตฝูงมุญม่านบาปใบเมื่อหนาอยู่กระเสริม เริ่มแต่เข่าเดือนสีปีกุนไผผู้มีบุญลายจังสีข้องค่อยเห็นนอนผุดทั้งเดือป่าให้เจ้าผ้ากันถือสินหาภาว น, น่าเดือแม่ยังเต้นเชียงแพรบ่มีเว็นห่างไกลวาสันเดอเอาลำพานไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อสิบสองอยา่างอีกอย่างหลายข้อนะอยังแต่ห้าข้อข้อสิบสองนั่นพระญาใหญ่ปเสนสร้างฟันเห็นนิมิตเหมือนอนอนตอนเสาฟันเห็นหมากนําเต่าลนจม ลงสมุดใหญ่เลยบริไลลองขึ้นจมผืนหลดบอ่อฟูซิบสามคอซิบสามคออีกคอเนึ้อนั่นฟันว่าหินอยู่น้ำก่อนใหญ่มันฟูเบิ้งมันฟู่ในของลองลองล่องในน้ำลองล่องไปไต่อุปมาให้สองคอสมกันเป็นขอนึงหมากน้าเต่าของมันฟู่ผัดเราจมล่องผืนบาดว่าหินใหญ่ฟงลอยน้ำดังสาโน อง์พุทธโอเข้าแปสังมาจาาต่างการจักมาาผ้ายหนาคนาพวกพระราสีไดขึ้นเป็นใหญ่ฟุ้งมืคนบาปใบสิเป็นเจ้านางเมืองคนผู้ลูกขาวเรื่องไม่สตดข้องถรำกรรมสิมีมาถึงสิตำล่องเป็นหน่อยาศาสนากู่อยถอยไปไก่สิเคิงเขาไปถึงวางนันสิหันปิ่นเปลี่ยนแปลง แม่นว่าคุณผู้หน่อยสิเป็นใหญ่มีหยดปรากฏในแดนดินทินท่อนและนี่ตังให้คอยฟังดูทอนขั้นบดจญิงคือจังความเป็นว่าใกล้ระว่างสถาณะของพระพุทธเจ้าเห้าถวนขวันกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้อที่สิบสิบสองสิบสามมันตรงกันคือมันมันมันกลับกันดีวะ่ะ หินหมากน้ำเตาหน่วยหน่อยหน่ว ย, ยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกครับเกิดเป็นค้องนักจุ่มจมล่องเพืิดศิลากรวดกระดานหินนักหมื่นกับสิร้อยหลองหนาฟูขึ้นจังสโน่พ่อสีสอยสิเป็นย่อยหักยองให้จะกลับจองขึ้นแถมสอนตรงปงใบม้าจิงจอกสีได้ขึ้นนางใต่คำคุ้มโยธาภัยพ่นทั้งขายฮงคำไถ่เวหาเฮินเมก ส, มสิมนบกหนอบใบเป็นแหล่งไ้แกกาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดซะก่อนคนดี จะไม่ได้มีอำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สองหมู่คณะคนเด็บมีสินมีธรรมจะตาต่อยพาละลอยจะเฟื่องฟูสุชูสักซีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วดตัวกาลีคนอปัปปีเป็นคนดังมา้าจิงจอกนั่นก็คือคนโกงเอสคันนเอสอัฟฟอโกเหมือนสุนัขจิงจอก อาปากให้นกกระยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็งับกินหัวนกกระยางด้วยทำคุณบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบไปด้ยวยคุณงามความดีภ<ม>าษาอังกฤษก็เรียกว่า cunning เป่นแบบโกงฉลาดโกงไม่ใช่ว i s dom คือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยม่โกงใครช่วยเหลือกันแต่อย่างนี้แต่นี่มันจะมีพวกนี้จงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจม เห็นเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภากลางเขาเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาละเราผ่านไปข้อนี้ทันใดๆก็พอจะมองรู้มองเห็นกันจบในข้อที่สิบสี่ข้อนนั้นฟันวะเอียนอยู่หนามแนงนายบังตมนี้ไปส้มผู้พาปลาดอนนอนหลี่เสียงสนีบมันนหาแขนย่อยห้าี่แขนจองอีกจย่างหนึ่งฟันวะข้องบวกหนามแนงนายวั้งตมฟันเห็ทงูเฮากรมล่งขาผ้าหน้ากบ จองอาง่าองง่อข้อนบเขียดจะนหน้าน้ำไหวฟุ้งมู่้ำท่านหา้ขอเป็นสหายเสียวกรับมูเขียดบักแอ่เพิ่นแสดงบอกไหวไปหนาะให้ค่อยซ่อมเดี๋ยนี้ห้อมเข่าไก่ขอนขึงศาสนาพุดมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้ำหันเหลี่ยวมีแต่การครับเขียวสิ่งกันหยาติภัยคนผู้เคยเป็นใหญ่เสดยกรับตาหนาม่านหน่อมต่อภัยพ่นเฮีกันนี้บพ่พ่นโลกเปลี่ยนเวียนหมุนผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เลยซ่อมมังเดอ้อปีกุนบอน คุณพ่าย่อยอันวเด็กนุมหน่อยท้าระกาเกใไม่สิได้เป็นใหญ่ํำเร็จการฟันฝ่าเป็นหน้าใครอยักหัวเด๋นัวว่าซันตรงนี้ภาษาลาวเขาว่าอย่างนี้หลังจากที่บอกว่าฝันเห็นพวกน้ำเต้าน้อยภาษาบาลีว่าลาบูนิสีทันติน้ำเต้าแห้งลอยน้ำต่อมา สิลาปละวันติหินนี้กับจมต่อมามันทูกิโยกันหะสเปยคิลันติภาษาบาลีหมายถึงว่ากบเขียดน้อยประห้องอ่านโค้งสารเหตดให้งงูเ้าผิดเนื้อกลัวเก่งยานกากังสุวรรณาปริวาระยันติหลังจากนั้นหงคัํผ่ายเวหาเฮินเมดนบนอบวหวเป็นแหล่งแก่กามาเป็นบริวารให้แก่กา นู้สิ่งทำตาบ้าหงยแม่บักดำก้มกลา่าวเสื้อโค้งนบนอบไป ห, ห, หน้าเลื้อหมูสะพันอันนี้ต่อมาเทอมกบเขียด น, น้อยประห้องอ่านของสารให้ต่าูเข้าผิดเงือกกลัวเก่งยัก